บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิยะแห่งพระพุทธดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้สาสั่์แก่ท่านติสเมตเยะที่ได้กล่าวมาโดยลำดับนั้นก็มาถึงบทสรุปที่ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติได้โดยนิยะที่กล่าวมาแล้ว ได้ชื่อว่าเป็นมหาบุรุษดังนั้นคุณลักษณะของบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาบุรุษเมื่อกล่าวโดยสรุปตาม น, ยนัยนี้ประการแรกจะต้องเป็นผู้มองเห็นไยในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลต่างๆในที่นี้คนเน้นไปถึงวัตถุกรรมเป็นเบื้องตน้น ตลอดถึงการมองเห็นภัยในการที่บุคคลต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตประสบความทุกข์ร้มศักในพบในชัดนั้ น, น, นเมื่อบุคคลมองเห็นภยัยเห็นโทษในบาปในอกุศ ล, ลในสังสารวัตรแล้วความคิดที่จะปฏิบัติตนเพื่อหลีกหนีบรรดาอกุศลเหล่า น, นั้นก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจ และคุณธรรมที่สำคัญซึ่งทรงชี้ว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลสามารถจะจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้ก็คือความมีสติยุ ith, ทุ์เมื่อความมีปัญญาที่เรียกว่าเป็นมันตาคือสามารถพิจารณาตัดความยึดติดในสิ่งต่า ง, างๆออกไปได้ ความมีสติทุกเมื่อ น, นั้นเป็นหลักธรรมที่สำคัญซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ไม่ว่าในการปฏิบัติเรื่องอะไรก็ตามพราะสติเป็นธรรมะที่นำให้บุคคลเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอในโลกนี้แต่ปัญญาที่บังเกิดขึ้นนั้นได้ทรงชี้ไปถึงปัญญาที่บุคคลสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านั้น เป็นกระบวนการคือมองใจจุดเกิดว่าลักษณะของสิ่งเหล่านั้นคืออะไรเช่นเมื่อความโลภกำังเกิดขึ้นก็รู้ลักษณะของความโลภเหล่านั้นในขณะเดียวกันก็ต้องรู้ถึงเหตุปัจจัยที่ให้เกิดความโลภและรู้ถึงอุบายวิธีที่กระจัดที่จะกรจัดความโลภนั้นออกไปจากสติ ที่ทรงใช้คำว่ามีอยู่ทุกเมือ่อและปัญญาดังกล่าวแล้วนั่นเองก็ทรงประทานหลักปฏิบัติเฉพาะในกรณีนี้ไว้เระ่อเราโดยประกันแรกก็คือว่าให้มีอุเบกขาประเภทที่ท่านใช้คำบาลีว่าฉลังคุเบกขาอุเบกขาที่ประกอบด้วยองค์หประการลักษณะของอุเบกขานั้น พึงทำความเข้าใจโดยนัยี่แพร่หลายคือนัยี่ปรากฏในพรหมวิหาระธรรมเป็นอาการความรู้ที่เกิดขึ้นมีปัญญาเข้ากำกับเวลาประสบกับอารมณ์ทั้งหลายจะสามารถทำใจได้วางใจได้ไม่ปล่อยให้ใจของตนตกไปในความดีใจหรือความเสียใจ เมื่อได้พบเห็นความพิบัติของบุคคลอื่นแต่อุเบกขาในลักษณะนี้เป็นอุเบกขาระดับของพรหมระดับของผู้ใหญ่ที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับบุคคลที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องคือในในกรณีของบุคคลและสัตว์ทั้งหลายก็ใช้เมตตาที่แปลว่าความรักความปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นเป็นสุข ในกรณีที่คนสัตว์เหล่านั้นประสบความเดือดร้อนก็ใช้กรุณามีความรู้สึกต้องการที่จะช่วยเหลือบุคคลนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์จนถึงก็ลงมือช่วยเหลือไปในกรณีที่คนก็ประสบความเจริญก้าวหน้าประสบความสมําเร็จเรื่อนยศเรื่อยตำแหน่งเป็นต้นแสดงมุติตาจิตต่อความเจริญก้าวหน้าเป็นต้นเหล่านั้น ซึ่งคุณธรรมทั้งสาประการนี้เมตตาทําหน้าที่กระจัดความพยาบาทรุณาทําหน้าที่กระจัดความเบียดเบียนโมติตาขัดทําหน้าที่กระจัดวิหิงสาทําหน้าที่กระจัดนิสยาซึ่งจะเพราะว่าตามปกติแล้วเป็นสนิมใจที่มีกําลังแรงมากโอกาสที่คนจะสร้างความรู้สึกยอมรับสถานะของการไรักกัน แล้วปรารถนาให้แต่และคนอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ทนะของตอนนั้นทําได้ยากเพระาะภายในใจมีกิเลสสายโทสะสะสมหมักห ม, มมอยู่เวลาเห็นคนอื่นประสบความพิบัติใจจะช่วยเหลือนั้นมีน้อยยิ่งคนนั้นไม่เป็นอะไรกับตนหรือยิ่งเป็นศัตรูกับตนด้วยแล้วความคิดที่จะช่วยเหลือยิ่งเกิดได้ยากมาก พระกรุณาจึงทําหน้าที่สลายความคิดในทางเบียดเบียนเดล่านั้นออกไปแต่ในกรณีที่คนอื่นเขาประสบความเจริญก้าวหน้าการจะทําใจให้พลอยชื่นชมยินดีก็ทำได้ยากเพราะมักจะมีฤทธิ์ยานําหน้าไปในก่อนเสมอพระเจ้า ก, ก็ทรงสอนให้มีมุทิตาไว้แต่ในบางการณีที่คนอื่นเขาประสบความพิบัติเพราะกรรมคือการกระทําของเขาเอง บุคคลไม่สามารถใช้ธรรมะอีกสามข้อได้เมื่อใช้ไม่ได้ใจก็สับสนว่าวุ่นไปเพราะบุคคลที่ประสบความพิบัตินั้น mm hmm. ก็จะมีอยู่สองฝ่ายเสมอที่มีอิทธิพลต่อใจคนคือคนที่เรารักกับคนที่เราชังส่วนคนที่มีความรู้สึกกลางกลงส่วนมากก็จะเป็นกลางกลงอาจจะสะดุดใจเพียงเล็กเ เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ไม่ถึงกับสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในใจมากนะักบุคคลที่มีอิทธิพลต่อใจจริงๆจึ ง, จ ง, จงคนจึงเป็นคนที่เรารักกับคนที่เราชังเท่านั้นแต่บุคคลทาใจไม่ได้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นภายในใจคพือจะเศร้ากเสียใจเมื่อคนที่เรารักประสบความพิบัติเป็นการเพิ่มคนมีทุกข์ให้มากยิ่งขึ้น แทนที่ใครประสบความิบัติคนนั้นเพราะกรรมของเขาคนนั้นจะต้องได้รับทุกข์ก็ดึงเอาคนที่มีใจกำหนดว่าคนนั้นเป็นที่รักของเราต้องพลอยทุกข์ไปด้วยซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นหมู่เป็นคณะโ ด, ดยซ้่ไปแต่ในกรณีที่บุคคลผู้ประสบความาิุกั์โพรแะกรรมของเขาเองเป็นสดตรูใจของบุคคลก็จะมีความชื่นชมยิน ด, ดีในความทุกข์ตอนนั้นเว่า ธรรมคืออเบคานี่เองเวลาพัฒนาขึ้นไปอยู่ในจุดหนึ่งนั้นจะกลายเป็นฉลังคูเบคอุเบคาที่ประกอบโดยองค์หเป็นการใช้ปัญญาพินิพิจารณาเหมือนกันแต่มองเห็นโทษว่าเป็นโทษมองเห็นคุณว่าเป็นคุณประจักษ์ชัดแก่ใจของบุคคลเหล่านั้น ตัวนักตราเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงใช้คําเพียงสองค ำ, คำแต่ก็มีความหมายในเชิงปฏิบัติมากทรงใช้คำว่ารู้อยู่และดับได้ไม่เความมารู้อารมณ์ที่ไม่ดีว่าไม่ดีและดับอารมณ์ที่ไม่ดีได้ใช้ตัวคำสั้นๆเป็นในเชิงการปฏิบัติและทำไดะยากยินงรสนิยมของบุคคลมักขัดปัญญามักไม่พร้อม กิเลสมีกำลังแรงไปตัดแก้ไม่ได้เหมือนกับไฟที่ลุกลามไหม้มามากแต่เราก็มีน้ำน้อยดับไฟไม่ได้หรือเหมือนกับสิ่งสกรปรกมากน้ำสะอาดมีน้อยมันก็ล้างไม่ได้หรือเหมือนความมืดมากแสงสว่างน้อยก็าจักความมืดไม่ได้นั่นเองดังนั้นเมื่อบุคคลระลึกได้แต่ยังไม่สามารถดับได้อย่างสิ้นเชิง พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนชั้นดับโดยพื้นฐานให้ได้ด้วยกันไปแก่การยุติอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้แม่ลุกลามไหม้ต่อไปเป็นตำนอนกล้กไฟแก่ลูกลามไหม้มาบุคคลไม่สามารถจะดับไฟนั้นได้แต่ก็ไปตัดสิ่งที่เป็นเชื้อไฟซึ่งขวางหน้าไฟอยู่ออกเสียพอไฟแก่หมดเชื้อแก่ก็จะหยุดในตรงนั้นเอง ลักษณะของกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตใจก็มีลักษณะอย่างนั้นแกผ่านมาทางประสาทสัมผัสทั้งหแต่ถ้าในกรณีที่บุคคลเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งและเตียวนึกถึงอารมณ์มีการระลึกรู้อารมณ์ในแต่ละขณะอย่างชัดเจนว่าอารมณ์นี้เป็นภัยเป็นอันตรายต่อจิตใจแต่คืนเก็บมาคิดมาตรึกนึกมาวิตกกังวลแล้วมีแต่ปัญหาเท่านั้นเอง ก็หยุดความคิดเหล่านั้นเอาไว้คือทาใจวางเฉยไม่ยินดียินไรในอารมณ์ทั้งหที่ผ่านมารูปผ่านมาทางตาเป็นต้นจนถึงกับอารมณ์ที่เกี่ยนนึกขึ้นภายใน ใ, นใจได้แก่การไม่ปรุงคิดไม่คิดปรุงอีกต่อไปในกรณีนี้พึงเข้าใจว่าเป็นการใช้กับอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อใจแต่นั้นเองไม่จะวางเฉยไปทุกอารมณ์ เพ า, เาบางอย่างเป็นเรื่องของกุศลคุณทําความดีก็ผ่านมาทานประสาทสัมผัสเหมือนกันถ้าบุคคลไปวางเฉยสมุดเหมือนกับปิดประตูบ้านหมดเลยรัวโจรจะเข้าหรือไม่ยอมเปิดแม่ญาติพี่น้องจะมาแต่นี้ก็ไม่ได้ต้องมีการเลือกเฟ้นอารมณ์แต่นั้นตัวสติกับปัญญาจึงต้องใช้ปัญญาที่เรียกว่ามันตามันตานั้นแปลว่าความคิด คือปัญญาที่นำไปคิดพินิษพิจารณาวิเคราะห์จนตัดได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงช้คำว่ารู้อยู่แล้วดับได้รูอ้อรู้อยู่แล้วตัดได้ตังแน่นอนการปฏิบัติที่สมบูรณ์ตามที่ทรงแสดงไว้ทรงมุ่งผลสูงสุดคือปามเป็นพระหันแต่ในชัน้นชีวิตประจำวันนั้นบุคคลพึ่งเข้าใจว่าบุคคลสามารถใช้ความระลึกรู้และตัด กระแสของอารมณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อจิตใจได้อย่างมากเหมือนกันและถ้าหากว่าทำบ่อยๆจิตใจก็จะมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นสติความระลึกอยู่ทุกเมื่อที่ทรงใช้และปัญญาก็จะมีปริมาณมากขึ้นก็กลายเป็นภูมิคุ้มครองใจบุคคลทำให้วางเฉยในอารมณ์ต่างๆได้ เพราะฉะนคำว่าชลังอุเบกขาก็คืออุเบกขาที่วางเฉยในอารมณ์ทั้ง6ที่ประกอบโดยองค์6ประการคือเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องเย็นนอนอ่อนแข็งและใจสึกนึกถึงอารมณ์พอวินิจฉัยอารมณ์ว่าเป็นสื่อของความรักความชังสติกับปัญญาต้องใช้วินิจฉัยซะก่อนว่าจะใช้อุเบกขาหรือไม่ใช้อุเบกขา ถ้าใช้เบรขาะกบวินิจฉัยในกรณีที่ว่าเป็นเสือให้เกิดความรักความชันใจก็วางเฉยหยุดไปเพียงเท่านั้นถึงตามปกติแล้วการปฏิบัติในรักษถานี้ส่วนหนึ่งบุคคลก็ปฏิบัติกันได้ในชีวิตประจำวันเวลากระทบอารมณ์เป็นนันมากที่ไม่ก่อให้เกิดความรักความชันซึ่งบางครั้งก็เกิดจากความระลึกรู้ในอารมณ์เหล่านั้น ก็ไม่ไม่ควรแก่การถือสาหาความเป็นตนเช่นไปเจอคนเมาคนบ้าแสดงอาการกริยาไม่เหมาะไม่ควรก็ระลึกรู้ว่าคนนี้เป็นคนเมาคนนี้เป็นคนบ้าจะวางเฉยไม่ยอมรับรู้กกจะพูดอะไรแกใจอาลวาดย่างไงขณะนั้นแม่ได้ยินเสียงด้วยหูเห็นกริยาการแกด้วยตา แม้ใจจะรับรู้ก็ตาจะรับรู้แล้วก็หยุดไม่ปรุงต่อจิตก็ว่างจิตก็สงบแต่ความขุ่นข้องหมองใจเพราะอาศัยการกระทำของบุคคลนั้นเป็นเหตุดัง น, นั้นจะจุดที่ทำได้ในชีวิตประจาวันนี้เองพระพเจ้าก็ทรงสอนให้เพิ่มพูนมา ก, กขึ้นมา ก, กขึ้นจนถึงกระจุดหนึ่ง ีิสามารถสงบประงบับดับได้อย่างแท้จริงในกรณีนี้ก็เป็นไปได้โดยอัตโนมัติเช่นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแก่พระราหันทั้งหลายก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปเกิดมาแล้วก็จะเกิดกรุณากับเกิดอุเบขาในอารมณ์เหล่านั้นเพราะพระราหันท่านมองสัตว์โลกเป็นผู้ประสบด้วยความทุกข์ท่านจึงมีความกรุณาต่อสัตว์โลกต้องการจะช่วยเหลือในส่วนอารมณ์ที่ ไม่ดีทั้งหลายแ้วก็ทำใจเป็นอุเบกขาคือกลางๆได้ไม่มีตังดีใจไม่เสียใจเพราะภายในใจไม่มีปัญหาด้วยความรักและความชังความดีใจเพราะความรักหรือเพราะความชังก็ไม่เกิดขึ้นหรือเสียใจเพราะรักเพราะชังก็ไม่เกิดขึ้นไอประการต่อไปก็ทรงใช้คาว่าบุคคล น, นี้เองบุคคลที่เห็นภัยนี้เอง ที่สามารถเจาะถอนตัณหาซึ่งเรียกว่าสิบปณีปณสิบปณีนั้นเป็นคําที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เพื่อบุคคลมองเห็นเป็นภาพขึ้นมาสิบปณีคือเครื่องเย็บหรือเครื่องร้อยรัดเหมือนกระดานเย็บผ้าเย็บสิ่งต่างๆติดขัาด้วยกันลักษณะทางอารมณ์เป็นเช่นนั้นบุคคลมีตัณหาในอารมณ์ใดในเรื่องใด จิตก็จะถูกย็บติดไว้ตรึงไว้กับอารมณ์เหล่านั้นถึงบางครั้งทรงช้ธรรมากันทะเครื่องร้อยรัดเครื่องประกอบเครื่องผูกมัดเครื่องตอกตรึงโดยอาศัยรูปธรรมให้ดูเท่านั้นเองแต่ว่าในเช่นก็การปฏิบัติบุคคลจะต้องมองเห็นโทษว่าจิตที่ถูกตรึงไว้อย่างนี้จิตที่ถูกย็บติดไว้ด้วยอารมณ์ที่เป็นข้าศึกจิตนี้ มันมีลักษณะคล้ายๆกับถ้าเป็นรูปธปรรมก็เอาคนที่เป็นศัตรูกันมาไว้ในที่เดียวกันจิตใจจะอึดอัดขัดข้องว่าวุ่นสับสนขนาดไหนแล้วมองกลับไปที่ตัวนมามธรรมที่จริงปัญหามันก็อยู่ส่วนตัญหาถ้ามมาติดอยู่ภายในใจของเราไม่มาจึงจิตเอาไว้ใจเราก็ไม่มีปัญหาอะไร ซึงบางคนจะเห็นได้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผู้ตราพาสเหล่านั้นแกมีอยู่ก่อนแล้วยามใดที่ใจไม่ไปกําหนดว่ารูปนั้นสวยเป็นต้นกามาตัญหาในรูปนั้นก็จะไม่เกิดแต่การที่ก า, ามาตัญหาในรูปกเกิดเกิดเพราะใจไปยอมรับว่ารูปนั้นสวยแล้วในรูปนั้นเองเมื่อถึงโอกาสหนึ่งแกเปลี่ยนแปลงไปแปลปวนไปใจก็เกิดไปกําหนดใหม่ พอเป็นรูปไม่สวยไม่ดีไม่น่าปรารถนาตัณหาก็หลุดไปจากรูปเหล่านั้นแต่อาจจะมองมาในรูปของวิภาวะตัณหาคือต้องการในพินาศไปแต่ถ้าไม่พินาศปก็สาวะเดือดร้อนสมมติว่ารูปนั้นเปลี่ยนแปลงไปให้ลองสังเกตว่ารูปที่เป็นของเราเรารักใคร่พอใจยินดีมาก่อนเนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามแต่วันหนึ่งผ่อนคลายความยินดีคือผ่อนคลายตัณหาในรูปเหล่านั้นรูปรูปเป็นต้นเหล่านั้นได้ เวลารูปเหล่านั้นสลายไปหายไปความเศร้าโศกเสีย ใ, ใจก็ไม่เกิดขึ้นแต่สมหรับรูปบางรูปที่ใจยังถูกตานหาเย็บไวตรึงเอาไว้ผูกมัดเอาไว้เวลารูปนั้นแกเปลี่ยนแปลงไปสลายไปแตกดับไปใจของบุคคลก็จะเศร้าโศกซึ่งลักษณะเหล่านี้ในชั้นสมบูรณ์รูุ้ทธเจ้าก็แสดงถึงอรหัตเช่นเดียวกัน แต่ในชั้นการปฏิบัติโดยอาศัยสติปัญญาระดับหนึ่งเป็นเครื่องคุ้มครองตนนั้นบุคคลจะสังเกตได้อย่างเด่นชัดว่าลักษณะความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะแรงดันของตันหาคือการที่จิตตี่รนทยอทยันอยากไปในวัตถุอันน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจที่เรียกว่าการตันหาจิตทรนทยอทยันอยากไป พอใจสถานะความมีความเป็นต่างๆจนถึงพบชาติที่ประเทศอันเรียกว่าวิภวะอันเรียกว่าวภาวะตันหาและความพอใจติดใจในสิ่งหนึ่งมาก่อนคือเกิดภวะตันหาในสิ่งนั้นมาก่อนแต่พอสิ่งนั้นแกเกิดเปลี่ยนแปลงแปรปลนไปเราก็ไม่ชอบใจก็ต้องการในสิ่งนั้นพินาศไปดับไปสูญไปแตกสลายไปจนถึงต้องการให้สากขาดสูญไปเลย จะเป็นอาการของวิภาวะตัณหานั้นส่วนหนึ่งคนมีเชื้ออยู่ภายในใจแล้วที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการกําหนดอารมณ์ในแต่ละขณะของบุคคลนั่นเองอะไรเป็นปัจจัยเกิดความความกําหนดก็เพราะเชื้อของตัณหาที่มีอยู่นั่นเองก็ให้เกิดการกําหนดถ้าเชื้อภายในไม่มีอย่างที่เคยอุปมามานานวว่าเหมือนกับแมลงวันยอดไข่ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นไข่ขางเสมอไป ปัญหาสำคัญเราไปหยอดไข่ในที่ใดจะหยอดไข่ในหินในผ้าในกระดานเป็นต้นไข่แมวันก็มีแต่ตายแต่นั้นเองแต่การที่เป็นไ ข, ข่ขังเป็นนอนออกไปแพ่หลายได้นั้นก็ก็เกิดประหยอดในสิ่งที่มีเชื้อหน้าอยู่ก่อนแล้วมีเชื้อหนอนอยู่ก่อนแล้วมันก็กลายเป็นเชื้อบวกมันก็กลายเป็นไ ข, ข่ขังกลายเป็นตัวนอนออกหาสารพัดจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ประสายเชื่อตันหาที่เป็นธาตุมีอยู่ภายในแล้ว ม, มีการกำหนดอารมณ์โดยลักษณะต่างๆก็ถูกอารมณ์เหล่านั้นรึงรัดเอาไว้ผูกปัดเอาไว้แต่ว่าแท้จริงแล้วมีเป็นอันมากบานกันที่ผ่อนคลายไปแล้วคือหลุดออกไปแล้วเช่นสิ่งต่างๆในสมัยที่ชื่นชมยินดีอยู่ในวัยหนึ่งปัจจุบันอาศัยที่มีอายุเจริญขึ้น มีสติปัญญามีเหตุผลมากขึ้นห ร, หรืออาจจะเพราะมีตันหาในอารมณ์เหล่าอื่นแล้วก็บ่อนคลายความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นออกไปแต่ถ้าหากว่าด้วยการประพฤติปฏิบัติที่มีอยู่แล้วส่วนหนึ่งนั่นเองบุคคลได้เพิ่มเอาสติกับปัญญาที่เรียกว่าบันตาเข้าไปจะมีการกากับการปินิจพิจารณาในชั้นที่ผ่านมาทางข้างนอก ก็ทำใจวางเฉยเยในกรณีที่เกิดขึ้นโดยการเหนียวนึกภายในที่เรียกวิวตกคือความตรึกนึกหรือเรียกว่าสังกปะคือความดำริซึ่งเป็นการเก็บของเก่าขึ้นมาตรึกนึกเป็นการเพ้อฝันถึงอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วในอนดีตแล้วก็เลือกเพ้อฝันเฉพาะอารมณ์ที่ดีด ก่ให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีอยู่กับอดีตบางครั้งก็มุ่งหวังคาดไปถึงอารมณ์ในอนาคตตระหนก็สายไปแล้วก็ตรึงไว้จากนั้นก็ตั้งหน้ารอคอยที่จะประสบกับสิ่งเหล่านั้นในอนาคตวันเวลาที่รอคอยอยู่นั้นเป็นวันเวลาที่ยาวนานมาก ก็จะผ่านไปได้แต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงทั้งๆ ท, ที่เวลาเท่าเดิมแต่เนื่องจากบุคคลเอาใจเข้าไปรอคอยไปดึงต้องการในสิ่งนั้นรีบมาจิตใจก็จะกระสับกระส่ายไปด้วยแรงตัณหาในอารมณ์รอดนั้นธนาก็วิ่งไปทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันจิตก็ถูกเย็บถูกตรึงไว้กับอารมณ์่อดนั้นแต่ถ้าหากว่าในกรณีนี้ บุคคลสามารถใช้ปัญญาเข้าตัดกระแสของอารมณ์ได้อย่าน้อยก็ตัดกันกันในแต่ละขณะแต่ละขณะปล่อยว่าอารมณ์ในอดีตเพราะอาดีตเกิดแล้วดับแล้วจะดึงมาใช้ในกรณีที่เป็นบทเรียนเท่านั้นไม่ใช่เอามาใช้เพลิดเพลินชื่นชมอยู่กับอดีตทั้ ง, ท, ง, ท, งที่ชีวิตตัวเองอยู่ในปัจจุบัน แม้จะมีการชื่นชมก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาพอดีก็ดีไปแล้วไม่ดีก็ไม่ดีไปได้อนาคตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันใจก็จะมากำหนดอยู่ที่ปัจจุบันรู้เท่าทันอารมณ์ที่บางเกิดขึ้นในแต่ละขณะในขณะใ ด, ดควรสำรวมระวังเสียเลยก็อนสำรวมระวังไว้ในขณะใ ด, ดที่มาถึงแล้วก็อุเบเมื่อวินิจฉัยว่าไม่ดีก็อุเบกขาไว้ ในขณะใดที่เกิดขึ้นภายในใจก็มีการวินิจฉัยอารมณ์เพราะลักษณะที่การเป็นการมองเห็นภยัยคือระลึกรู้ว่าเป็นภยัยระลึกรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นภยัยแล้วก็พยายามที่จะดับในแต่ละขณะเป็นการดับในแต่ละขณะของอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการปฏิบัติกรรมฐานแล้วจะเห็นได้อย่างชาัดว่าสติปัญญาจะต้องเกิดขึ้นระลึกรู้ทุกขณะแห่งอารมณ์ พระเจ้ารงชาคำาว่าสดาสโตคือมีสติอยู่ทุกเมือ่อดังนั้นในเชิงของการปฏิบัติบุคคลจะพบว่าเพื่อไม่ให้มีช่องว่างที่จะที่อังคุศน์ทั้งหลายจะแทรกเข้ามาได้บุคคลบางคนเวลาปฏิบัติแทนที่ท่านจะภาวนาพุโทโธเฉยๆแต่ก็ภาวนาพุโทโธธรมทโมสังโฆพุโทโธธรมโมสังโฆเฉยเย อยู่กับพุโทโธธรมโมสังโฆ ค, คือไม่มีช่องว่างอยู่ในที่นั้นสติก็จะลึกอยู่ที่พุโทโธธรมโมสังโฆท่านั้นเองหรือบางบางท่านก็ใช้พุโทโธพูดข้าวโทออกตานจังหวะของลมหายใจอย่างที่ปฏิบัติกันหรือใช้อย่างอื่นหรือว่าการที่ทรงใช้ในสัมปชัญญะปรปะในกายานุปัสนาสติปัฏฐานที่เคยกล่าวมานานแล้วนั้นก็คือสดาสโตให้มีสติอยู่ทุกเมื่อ ทุกความเคลื่อนไหวของอิริยาบถต่างๆเราจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดกูแขนเหยียดแขนหยิบของจะทำงานทุกอย่างให้มีสติอยู่ทุกเมื่อเมื่อสติแกได้รับการฝึกปรือเพิ่มพูนขึ้นสามารถเกิดขึ้นเป็นไปได้เร็วรู้ทันในอิริยาบถ ท, ทั้งหลายมีความคล่องแคล่วจำนี้ํำนานดีแล้วจะนาไปใช้ในกรณีไหนก็ได้ เวลาประสบกับอารมณ์ซึ่งละเอียดกว่านั้นสติที่มีต้นทุนมีกําลังสูงอยู่แล้วแกก็ระลึกแกได้แต่พร้อมที่จะสํารวมระวังพร้อมที่จะวางเฉยพร้อมที่จะระลึกรู้แล้วก็ดับปัญหาสําคัญในชีวิตประจําวันนั้นจะเห็นได้ว่าคำว่าระลึกรู้แล็ดับหรือรู้แล้วดับได้ไม่ได้พูดเฉพาะช่วงสุดสูงสุดเพียงอย่างเดียว แต่ตั้งแต่พื้นฐานข้างล่างมาแล้วจะนั้ว่าบุคคลเคยประสบความเดือดร้อนเพราะการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งมองเหตุมองผลได้เพราะความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นคราวนี้เพราะการกระทําอย่างนี้แล้วก็ดับการกระทําอย่างนั้นไม่กระทําอีกต่อไปที่เรียกว่ารู้จักหลับจําอันตรายที่เกิดขึ้นแก่ตนก็จะไม่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนแต่เมื่อมองดูให้ดีเจ้าพวกป้า แม้เพียงจุดนี้เองก็มีปัญหาแล้วเพราะบุคคลประสบความเดือดร้อนเพราะการกระทําอย่างเดียวกันแต่คนละกาละนั่นซําแล้วซ้ำอีกบางคนก็เจอมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงเป็นผู้ใหญ่ก็ยังเจออยู่จากนั้นทุกทีนี้เพราะอะไรพระฤกษ์ได้แล้วก็รู้ด้วยแต่ก็ดับไม่ได้เมื่อดับไม่ได้ก็ยังคงมีปัญหาในกรณีที่สิ่งนั้นเป็นต้นเหตุแห่งปัญหา คมว่ารู้แล้วดับได้จึงกลายเป็นหลักใหญ่ในการประพฤติปฏิบัติซึ่งขั้นตอนแห่งความรู้พระพุทธเจ้าทรงจำแนกแสดงเป็นสามขั้นขั้นหนึ่งเป็นการเรียนรู้มาทางประสาทสัมผัสเหตตาดูหูฟังเป็นต้นขั้นที่สองก็คือนำสิ่งเหล่านั้นมาเพ่งพินิพพิจาไรไตรตรองจนเห็นไปจากชัดแยกแยะได้อย่างชัดเจนเป็นการแยกจากใจไม่จะแยกจาก การรับเรียนหรือคนบอกขห้ยแยกจะแยกด้วยใจของตัวเองได้อย่างชัดแจ้งในแต่ละขณะนั้นๆอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล อ, อะไรเป็นกลางกลางแล้วก็มาถึงความรู้ที่แท้จริงซึ่งก็สอบคลรองกับพระพุทธตํารัตนในตอนนี้จะทรงใช้คำวป่ปาปัญญาปริญญาคือรู้แล้วก็ดับได้เพราะฉะนั้นปัญญาปริญญาจึงเป็นความรู้ชั้นเป้าหมายของพระพุทธศาสนาแต่ในขณะเดียวกันก็บุคคลใช้ได้ในแต่ละจุด ของการปฏิบัติจนจุดสูงสุดที่ทรงมุ่งหมายคือความรู้ทุกสมุทัยนิโรธมารู้ว่าทุกควรกาหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งมักควรจเจริญไปรู้ว่าทุกตนได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยได้ละแล้วนิโรธได้ทําให้แจ้งแล้วมักที่ควรจเจริญได้จเจริญแล้วนั้นคือความรู้ชั้นเป้าหมายแต่บนเส้นทางที่จะกว่าจะถึงเป้าหมายนั้นความรู้แล้วดับได้ มีอุปการะคุณต่อผู้ประพฤติธปฏิบัติเพื่อจะก้าวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางตลอดันอย่างยิ่งเพราะสิ่งที่จะต้องรู้และจะต้องดับนั้นมีตลอดเส้นทางแห่งการประพฤติธปฏิบัติของผู้ประสงค์เป้าสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบส่ขต่อไป